สัตว์ิรฉานจำพวกที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกมีอยู่สัตว์ดิรฉานจำพวกที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกพวกไหนบ้างคือสัตว์ดิรฉานจำพวกที่เกิดในปลาเน่าแก่ในปลาเน่าหรือตายในปลาเน่าสัตว์ดิรฉานจำพวกที่เกิดในศพเน่า สัตย์รชานจำพวกที่เกิดในขนมกลุ่มมากที่บูดสัตย์รชานจำพวกที่เกิดในน้ําครัมสัตย์รชานจำพวกที่เกิดในหลุมโสโครกสัตย์รชานจำพวกอื่นที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกในเบื้องต้นคนพาลในโลกนี้นั้นติดใจในรสทําบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายทุกนี้กับทุกขในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรียบเทียบกันด้วยการบอกไม่ได้ ทั้งหลายบุรุษพึงโยนแอกที่มีรูเดี่ยวลงไปในมหาสมุทรลมทางทิศตะวันออกพัดแอกนั้นไปทางทิศตะวันตกลมทางทิศตะวันตกพัดแอกนั้นไปทางทิศตะวันออกลมทางทิศเหนือพัดแอกนั้นไปทางทิศใต้ลมทางทิศใต้พัดแอกนั้นไปทางทิศเหนือในมหาสมุทนั้นมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่ง ผ่านไปร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือเต่าตาบอดนั้นพึงสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้นได้บ้างไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะแต่ถ้าเวลาล่วงเลยไปนานๆบางครั้งบางคราวมันก็จะสอดเข้าไปในแอกนั้นได้บ้างพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเต่าตาบอดนั้นพึงสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้นอย่างเร็วกว่าเรากล่าวว่าการที่คนพาลผู้ไปสู่วินิบาตคราวเดียวจะพึงได้เป็นมนุษย์อีกยากกว่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในวินิบาตนั้นไม่มีการประพฤติ ธ, ธรรมไม่มีการประพฤติชอบไม่มีการทํากุศลไม่มีการทําบุญ ในวินิบาทนั้นมีแต่สัตว์ผู้เคี้ยวกินกันเองเคี้ยวกินสัตว์ผู้มีกำลังน้อยกว่าคนพานนั้นเพราะเวลาล่วงเลยมานานในบางครั้งบางคราวถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลคนจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างสารตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนขนขยะเช่นนั้น ที่เป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างฝืดเคืองเป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องนุ่มห่มได้ยากและคนพานนั้นมีผิวพันธุ์หม่นมองไม่น่าดูต่ำเตี้ยมีความเจ็บป่วยมากตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นโรคอัมาพาตมักไม่ได้ข้าวน้าผ้ายาน ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบเขายังประพฤติกายยตุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก ทั้งหลายเปรียบเหมือนนักเลงการพนันเพราะการพ่ายแพ้ครั้งแรกเท่านั้นจึงเสียลูกเสียเมียเสียทรัพรสมบัติทุกอยาก่างและถึงการจองจําที่เป็นการสูญเสียอย่างยิ่งความพ่ายแพ้ของนักเลงการพนันผู้เสียลูก เ, เ, เสียเมียเสียทรัพย์สมบัติทุกอยาก่างและถึงการจองจําเพราะความพ่ายแพ้ครั้งแรกนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยแม้ฉันใด ความพ่ายแพ้ของคนพาลผู้ประพฤตกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกชั้นนั้นเหมือนกันนี้เป็นภูมิของคนพาลที่คนพาลบำเพ็ญไว้ทั้งสิ้น ภิกษุทั้งหลายลักษณะของบัณฑิตเครื่องหมายของบัณฑิตความประพฤติไม่ขาดสายของบัณฑิต3ประการลักษณะของบัณฑิต3ประการอะไรบ้างคือบัณฑิตในโลกนี้ 1. ชอบคิดแต่เรื่องดี 2. ชอบพูดแต่เรื่องดี 3. ชอบทำแต่กรรมดีถ้าบัณฑิตไม่ชอบคิดเรื่องดีไม่ชอบพูดเรื่องดี และไม่ชอบทำกรรมดีเช่นนั้นบัณฑิตทั้งหลายจะเพึงรู้จักเขาด้วยเหตุไรว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นคนดีแต่เพราะบัณฑิตชอบคิดแต่เรื่องดีชอบพูดแต่เรื่องดีและชอบทำแต่กรรมดีฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงรู้จักเขาว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นคนดี บัณฑิตนั้นย่อมสวยสุขสงมนัต ส, สามประการในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายถ้าบัณฑิตนั่งในสภาก็ดีในตรอกก็ดีริมทางสามแพร่งก็ดีถ้าชนในที่นั้นผู้ถ้อยคำที่สมควรแก่ธรรมนั้นแก่เขาถ้าบัณฑิตเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จ เป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทในเรื่องนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าข้อที่ชนผู้ถ้อยคำที่สมควรแก่ธรรมนั้นธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมสวยสุขโสมนัสประการที่หนึ่งนี้ในปัจจุบัน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 รถตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้างให้สุนักกัดกินจนเหลือแต่กระดูบบ้างให้นอนบนเหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างก็ทำเหล่านั้นไม่มีในเราและเราก็ไม่ปรากฏในธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขสมนัตประการที่สองนี้ในปัจจุบัน ประการหนึ่งในสมัยนั้นกรรมดีที่บัณฑิตทำคือการประพฤติกายสุจริตการประพฤติวจีสุจริตการประพฤติมโนสุจริตไว้ในการก่อนย่อมคุ้มครองป้องกันบัณฑิตผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือนอนบนพื้นเปรียบเหมือนเงาของยอดภูเขาใหญ่ย่อมบดบังครอบคลุมแผ่นดินใหญ่ในเวลาเย็นแม้ชั้นใด กรรมดีที่บัณฑิตทำํำคือการประพฤติกายสุจริตการประพฤติวจีสุจริตการประพฤติมโนสุจริตไว้ในการก่อนก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมคุ้มครองป้องกันบัณฑิตผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นในเรื่องนั้นบัณฑิตมีความคิดอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทําความชั่วไว้หนอไม่ได้ทํากรรมหยาบช้าไว้ไม่ได้ทํากรรมเศร้าหมองไว้ เราทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่ที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวไว้เราตายแล้วจะไปสู่คติของผู้ไม่ได้ทำความชั่วไว้ไม่ได้ทำกรรมหยาบช้าไว้ไม่ได้ทำกรรมเศร้าหมองไว้ทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่ที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวไว้เขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุบ อ, อกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตย่อมสวยสุขโสมนัสประการที่สามนี้ในปัจจุบันพิสษุทั้งหลายบัณฑิตนั้นยังประพฤติกายสุจริตประพฤติวจีสุจริตประพฤติมโนสุจริต หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงสวรรค์นั่นแหละว่าเป็นสถานที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายแม้การเปรียบเทียบว่าสวรรค์เป็นสุขก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงอุปมาได้อีกหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าได้ภิกษุแล้วตรัสว่าเปรียบเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์ความสำเร็จสี่ประการเพราะความสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์สี่ประการนั้นเป็นเหตุพระเจ้าจากักรพรรดินั้นจึงสวยสุขสมนะ พระเจ้าจั ก, กรพัฒทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจตประการเป็นอย่างไรคือจากแก้วอันเป็นทิพย์มีคมพันซี่มีคงมีดุมและส่วนประกอบครบทุกอย่างย่อมปรากฏแก่กษัตราธิที่ราชในโลกนี้ผู้ทรงได้รับมุรธาพิเศกแล้วทรงสนานพระเสียรในวันอุโบสถ15าคำ่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนปราสาทหลังงาม กษัตริที่ราชผู้ทรงได้รับมุรธาพิเศษแล้วครั้นทอดพระเนตรแล้วได้มีพระราชดำริว่าเราได้ฟังเรื่องนี้มาว่าจากแก้วอันเป็นทิพมีก ร, รัมพันซี่มีกรงมีดุมและส่วนประกอบครบทุกอย่างย่อมปรากฏแก่กษัตริธราชพระองค์ใดผู้ทรงได้รับมุรธาพิเศษแล้วทรงสนามพระเสียรในวันอุโบสถ15าค่ำรักษาอุโบสถ ประทับอยู่ชั้นบนประสาทหลังงามกระสัตราทิราช พ, พระองค์นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกระมังลำดับนั้นกระัตราทิราชผู้ได้รับมรธาพิเศษแล้วทรงลุกจากที่ประทับ พ, พระหัตถ์เบื้องซ้ายทรงจับพระพิงคารพระน้ำเต้าพระหัตถ์เบื้องขวาทรงชูจักแก้วขึ้นตรัสว่าจักแก้วอันประเสริฐจงหมุนไป จงได้ชชยชนะอันยิ่งใหญ่ทันใดนั้นจักรแก้วนั้นก็หมุนไปทางทิ่ตะวันออกพระเจ้าจักรพัฒน์พร้อมด้วยจัตุรงคิที่มีเสนาก็เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจัตุรงค์ที่มีเสนาในประเทศที่จักรแก้วหยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกพากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชา พระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จพระองค์ราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดประทานพระราโช ว, วาเถิดพระเจ้าค่าพระเจ้าจากักรพรรดิรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและท่านทั้งหลายจงครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิด พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกเหล่านั้นได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจักรพรรดิแล้วภิกษุทั้งหลายจากนั้นจากแก้วก็หมุนไปโจดมหาสมุทรด้านทิตะวันออกแล้วหมุนกลับไปด้านทิศใต้หมุนไปโจดมหาสมุทรด้านทิศใต้แล้วหมุนกลับไปด้านทิตะวันตกหมุนไปโจดมหาสมุทรด้านทตะวันตกแล้วหมุนกลับไปด้านทิศเหนือ เสด็จเข้าพากแรมด้วยจตุรงคีนีเสนาในประเทศที่จักแก้วหยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือพากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จราชาสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดประทานพระราโชวาเถิดพระเจ้าค่าพระเจ้าจากักรพรรดิรับสั่งอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและท่านทั้งหลายจงปกครองบ้านเมืองไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือเหล่านั้นได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจากักรพรรดิแล้ว 1. นครั้งนั้นจักแก้วนั้นได้ปราบปรามแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอย่างราบคาบ เสร็จแล้วหมุนกลับราชธานีนั้นประดิษฐานอยู่เหมือนลิ่มสลักที่พระทวารภายในพระราชวังของพระเจ้าจักรพรรดิทำพระทวารภายในพระราชวังของพระเจ้าจักรพรรดิให้สว่างสวยัยภิกษุทั้งหลายจากแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ อีกประการหนึ่งช้างแก้วซึ่งเป็นช้างเผือกเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์มีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้เป็นพญาช้างตรกูลอุโบสถย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักพรพรรดิพระเจ้าจักพรพรรดิครั้นทอดพระเนตรเห็นช้างนั้นจึงมีพระทัยโปรดรานว่าท่านผู้เจริญพาะคือช้างนี้ถ้าได้นาไปฝึกก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแน่แท้จากนั้นช้างแก้วนั้นจึงได้รับการฝึกหัด เหมือนช้างอาชานในตัวเจริญซึ่งได้รับการฝึกหัดดีแล้วตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่าพระเจ้าจั ก, กรพัทเมื่อจะทรงทดสอบช้างแก้วนั้นจึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้าแล้วเสด็จเรียบไปตลอดแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตแล้วเสด็จกลับมาราชธานีนั้นดังเดิมทันเสวยพระกรยาหารเช้า ช้างแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิอีประการหนึ่งม้ากแก้วซึ่งเป็นม้าขาวศีสะนดำมีขนปกดุดหญ้าปล่องมีริสเหาะไปในอากาศได้ชื่อพญาม้าวลาหก ย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักพรพรรดิพระเจ้าจักพรพรรดิครั้นทอดพระเนตรเห็นม้ากแก้วนั้นจึงมีพระไทยโปรดรานว่าท่านผู้เจริญพาณคือม้านี้ถ้าได้นำไปฝึกก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแน่แท้จากนั้นม้าแก้วนั้นจึงได้รับการฝึกหัดเหมือนม้าอาชาในตัวเจริญซึ่งได้รับการฝึกหัดดีแล้วตลอดกาลนานภิษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่า พระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อจะทรงทดสอบม้าแก้วนั้นจึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้าแล้วเสด็จเรียบไปตลอดแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตแล้วเสด็จกลับมาราชธา น, นีนั้นดังเดิมทันเสวยพระกระยาหารเช้าม้าแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจากักรพรรดิ อีกประการหนึ่งมณีแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจากักรพรรดิคือมณีแก้วนั้นเป็นแก้วไพยทูลงานบริสุทธิ์ตามธรรมชาติสุขใสเป็นประกายได้สัด ส, ส่วนมีแปดเหลี่ยมเจรไนไว้ดีแล้วรัศมีแห่งมณีแก้วนั้นแผ่ซ่านออกไปรอบๆประมาณหนึ่งโยน์ิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อจะทรงทดสอบมณีแก้วนั้น ทรงให้หมู่เจตุรงคที่นีเสนาผูกสอบเกราะแล้วทรงยกมณีแก้วนั้นเป็นยอดธงเสด็จไปประทับยืนในที่มืดยามราตรีเพราะแสงสว่างนั้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบสำคัญว่าเป็นเวลากลางวันจึงพากันประกอบการงานมณีแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจากักรพรรดิ 5. อีประการหนึ่งนางแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือนางแก้วนั้นเป็นสตรีรูปงามหน้าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปงดงามเกินผิวพรรณของหญิงมนุษย์แต่ไม่ถึงผิวพรรณทิพย์กายของนางแก้วนั้น มีสัมผัสอ่อนนุ่มดุดปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายมีร่างกายอบอุ่นในฤดูหนาวเย็นในฤดูร้อนมีกลิ่นจันหอมฟุ้งออกจากกายกลิ่นดอกอุบลฟุ้งออกจากปากของนางนางแก้วนั้นมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังว่าจะรับสั่งให้ทำอะไรประพฤติต้องพระไทยทูลแต่คำไพระต่อพระเจ้าจากักรพรรดิและนางแก้วนั้น จะไม่ประพฤตินอกพระไทยพระเจ้าจักรพรรดิฉไนเล่าจะประพฤติร่วงเกินทางกายได้นางแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิอีกประการหนึ่งพระหบดีแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ คือข้าพดีแก้วนั้นเป็นผู้มีตาทิพย์อันเกิดแต่ผลกรรมซึ่งสามารถเห็นขุมทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของเขาเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดทรงเป็นผู้ขนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จะทำหน้าที่การคลังให้พระองค์ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่า พระเจ้าจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดสอบข้าบดีแก้วนั้นจึงเสด็จลงเรือลัดกระแสน้ำไปกลางแม่น้ำคงคาแล้วได้รับสั่งกับขหาบดีแก้วว่าขหบดีฉันต้องการเงินและทองข้าบดีแก้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นโปรดให้เทียบเรือเข้าฝั่งข้างหนึ่งเถิดพระเจ้าจักรพรรดิตรัสว่าข้าบดี ฉันต้องการเงินและทองตรงนี้แหละทันใดนั้นข้าหบดีแก้วนั้นจึงเอามือทั้งสองย่อนลงในน้ํายกหม้อที่เต็มด้วยเงินและทองขึ้นมาแล้วกราบทูลพระเจ้าจักรพรรดิว่าเท่านี้พอหรื อ, อยังมหาราชเท่านี้ใช้ได้หรื อ, อยังมหาราชเท่านี้พอบูชาแล้วหรื อ, อยังมหาราชพระเจ้าจักรพรรดิจึงตรัสอย่างนี้ว่าข้าหบดีเท่านี้พอแล้ว เท่านี้ใช้ได้แล้วเท่านี้ชื่อว่าบูชาแล้วข้าะบดีแก้วเห็นป่านี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ 7. อีประการหนึ่งปรินายกแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือ ปรินายกแก้วนั้นเป็นบัณฑิตมีปรีชาสามารถถวายข้อแนะนําให้พระเจ้าจากักรพรรดิทรงบำรุงผู้ที่ควรบำรุงถอดถอนผู้ที่ควรถอดถอนทรงแต่งตั้งผู้ที่ควรแต่งตั้งเข้าเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จกถวายคำปรึกษาปริณายกแก้วเห็นปานนี้ ปรากฏแก่พระเจ้าจักพรพรรดิภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักพรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ประการนี้พระเจ้าจักพรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์สี่ประการเป็นอย่างไรคือ พระเจ้าจากักรพรรดิในโลกนี้มีพระรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีผุดพองยิ่งนักเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระชนมายุยืนทรงดำรงอยู่ในราชสมบัตินานเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่สอง อีกประการหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระโรคาพาทน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟท่าสําหรับย่อยอาหารสม่ําเสมอไม่เย็นจัดไม่ร้อนจัดเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่สอีกประการหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และพระหัปปีทั้งหลาย เปรียบเหมือนบิดาเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุตรแม้ฉันใดพระเจ้าจักรพรรดิก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายอันหนึ่งพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระไทยแม้ของพระเจ้าจักรพรรดิเปรียบเหมือนบุตรเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบิดาแม้ฉันใดพราหมณ์และขหาบดีทั้งหลายข้อชันนั้นเหมือนกัน ก็เป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระไทยแม้ของพระเจ้าจักรพรรดิภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงที่มีเสนาเสด็จประพาสพระราชอุทยานครั้งนั้นพราหมณ์และข้าบดีพากันเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าดูนเสด็จไป โปรดเสด็จโดยอาการที่ฆ่าพระองค์ทั้งหลายได้ชมพระบารมี น, น, นานนเถิดแม้พระเจ้าจากักรพรรดิได้รับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าแน่พ่อสารถิท่านจงค่อยๆขับไปโดยอาการที่ฉันจะพึงเยี่ยมพราหมณ์และข้าบดีได้นานนานเถิดพระเจ้าจากักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่สภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจากักรพรรดิ ทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์สี่ประการนี้เธ mm. อทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเคอพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ดรียกแก้วเจประการและฤทธิ์สี่ประการนี้ <Erik. S 1> พึงเสวยสุขโสมนัส อันมีความสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธสี่ประการนั้นเป็นเหตุบ้างไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าจั ก, กรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วแม้ประการเดียวยังสวยสุขสมมนัตที่เกิดเพราะแก้วแม้ประการเดียวนั้นเป็นเหตุได้ไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงแก้วเจ็ดประการและฤทธสี่ประการเลยพระพุทธเจ้าค่า ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบก้อนหินขนาดย่อมย่อมเท่าฝ่าพระหัตต์ขึ้นมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือก้อนหินขนาดย่อมย่อมเท่าฝ่ามือที่เราถืออยู่นี้กับขุนเขาหิมะพานอย่างไหนใหญ่กว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก้อนหินขนาดย่อมย่อมเท่าฝาพระหัตต์ที่พระองค์ทรงถืออยู่นี้ มีประมาณน้อยนักเปรียบเทียบกับคุนเขาหิมพานแล้วไม่ถึงการนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวไม่ถึงแม้การเทียบกันได้เลยพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันสุโสมมณัตที่พระเจ้าจักรพัททรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์สีประการทรงเสวยสุค ส, ส, สมมัตอันมีความสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์สีประการนั้นเป็นเหตุ เปรียบเทียบกับสุขที่เป็นทิพย์แล้วไม่ถึงการนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวไม่ถึงแม้การเทียบกันได้เลยบัณฑิตนั้นเพราะเวลาล่วงเลยมานานในบางครั้งบางคราวถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขติยะมหาสาลตระกูลพรามณ์มหาศาลหรือตระกูลขะปฏีมหาศาลเห็นปานนั้น อันเป็นตระกูลมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมีทรัพย์และธั ญ, ญชาตมากและบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผดผ่องยิ่งนักมีปกติได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบ เขาจึงประพฤกษกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักเลงการพนันได้รับโภคสมบัติมากมายความชนะของนักเลงการพนันผู้ได้รับโภกคสมบัติมากเพราะความชนะครั้งแรกนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยโดยที่แท้ความชนะของบัณฑิตผู้ประพฤกษกายสุจริต ประพฤติวจีสุจริตประพฤติมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นความชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนี้เป็นภูมิของบัณฑิตที่บัณฑิตบำเพ็ญไว้ทั้งสิน้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลภาระปันธิตะสูตร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 บุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ตรงกลางเรือนสองหลังนั้นพึงเห็นคนกำลังเดินเข้าเรือนบ้างกำลังเดินออกจากเรือนบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเดินไปบ้างแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมนุสสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือสัตว์เหล่านี้ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมนุสสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยมีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในหมู่มนุษย์สัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริตวัจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทากรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในเปรตวิสัยหรือสัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริตวจจีทุจริตและมโนทุจริต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 นรกภิกษุทั้งหลายในนิรยบาลจับแขนเขาไปแสดงต่อพญายมว่าขอเดชะคนผู้นี้ไม่เครือกูลมานดาไม่เครือกูลบิดาไม่เครือกูลสมณนะ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 เด็กเล็กผู้ยังอ่อนนอนหงายกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดและกลีกของตนเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าค่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่าถึงตัวเราก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเกิดไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจไม่เคยคิด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 เจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้นพญายมครั้นสอบสวนซักไซ่ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่หนึ่งแล้วจึงสอบสวนซักไซ่ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สองว่า เจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สองปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษมีอายุแ0ดสิบปี9ก้าสิปีหรือร้อยปีเป็นคนชรามีส่โครงคดหลังโก่งหลังค่อมถือไม้เท้าเดินงกงกเงื่อนเงื่อนเจกังๆ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งหมดความเป็นหนุ่มสาวฟันหักผมหงอกศีษะล้าน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 เจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทกบาปกรรมนี้นั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาตยาสาโลหิตสมณะพราหมณ์เทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าเลยเจ้าทำเองแท้แท้เจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้น